พัะรตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายติกานิบาตทุติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สองในหมวดหวด้าสิบนี้คงมีห้าวรักละประมาณสิบสูตรเช่นเดียวกับหมวดห้าสิบที่แล้วมาวรักทั้งห้าคือหนึ่งพรามนวรักว่าด้วยพรามสองมหาวรักว่าด้วยเรื่องใหญ่ 3. อนันทวักว่าด้วยพระอานนส์่สมณวักว่าด้วยสมณะหโลนพละวักว่าด้วยเมล็ดเกลือท่านผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าในหมวดห้าสิบที่หนึ่งย่อไว้ค่อนข้างพิสดารพอถึงหมวดห้าสิบต่อไปก็ย่อสันลงไปอีกดังที่เป็นมาแล้วในทุกการนิบาทจุมนุมธรรมะที่มีสองข้อ ในติกนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสามข้อนี้ก็จะทำเช่นเดียวกันย่อความที่หนึ่งพรามนวัตว่าด้วยพรามตรัสสอนพรามชราอายุประมาณ120ยสปีสองคนที่มาเฝ้าขอให้ทรงสั่งสอนจึงตรัสว่าโลกอันความแก่ความเจ็บความตายนำเข้าไปใกล้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 สันทิทิกกไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูเป็นต้นโดยชีย้ไปที่การที่บุคคลถูกราคะโทสะโมหะครอบงำจิตยอมคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือคิดเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นดังกล่าวข้างตน้นตรัสตอบปัญหาของพระมหาสารคนหนึ่งถึงเรื่องความเสื่อมของมนุษย์และบ้านเมือง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 ผู้ใดเทน้ำล้างถาดหรือน้ำล้างชามลงในน้ำครัมหรือในหลุมโซโครกด้วยคิดว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นจะได้อย่างชีพก็ยังได้บุญจึงไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์จะ ต, ตรัสว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากให้แก่ผู้ทุศีนไม่มีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ละองค์ห้า คือนิวรกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุ ค, ความดีห้าผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะทานที่ให้แก่ผู้ละนิวรห้าและผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้มีผลมากตรัสแสดงธรรมแก่ติกรรันนพราหมผู้สันเซินพราหมผู้รู้วิชาสาม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 คือลัทธิศาสนาลัทธิเดียรถีสามประเภทคือถือว่าสุขทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่บุคคลเสวยทั้งปวงเกิดขึ้นหนึ่งเพราะเหตุที่ทำไว้ในการก่อน 2. อ, อิสระนิ ม, มาในเหตุตุเพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาล 3. เพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย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 จึงเป็น18คืออารมณ์6คูณด้วยเวทนาสเท่ากับ18และยังทรงแจกแจงอริยสัจส์่ซึ่งมีข้อน่าสังเกตในการอธิบายอริยสัจสี่ทรงอธิบายอริยสัจสข้อที่1กับที่สคือทุกข์กับทุกขกนิโรธคามินีปฏิปทาตามแนวทั่วไปแต่อริยสัจข้อที่สองกับที่สาม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 ผู้ที่พูดโอ้อวดเช่นนี้เมื่อตรัจสอบถามเข้าก็มีทางไปอยู่สามทางคือหนึ่งพูดเลี่ยงไปเลี่ยงมา 2. แสดงอาการกโกรธเคือง 3. นั่งนิ่งเก้อเขินก้มหน้าตรัสแสดงธรรมแก่ชาวนิคมเกสะัุตตะแควนกาลามะผู้ทูลถามถึงสมณพราหมณ์ต่างๆ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 ผู้มีจิตไม่ผูกเวรไม่พยาบาทไม่เศร้าหมองมีจิตบริสุทธิ์ย่อมวางใจหรือเบาใจสบายใจได้สีอย่างคือ 1. ถ้าผลของความดีความชั่วมีตนก็จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะตนทาความดี 2. ถ้าผลของความดีความชั่วไม่มีก็รักษาตัวให้มีความสุขได้ในปัจจุบัน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 เราก็บริหารตนให้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขได้ในปัจจุบัน 3. ถ้าทำบาปเป็นอันธรรมเราไม่ได้ทำบาปก็คงจะไม่ได้รับทุกข์ 4. ถ้าทำบาปไม่เป็นอันธรรมเราก็มองเห็นตัวเองบริสุทธิ์ทั้งสองทาง พระนันทกษัตแสดงธรรมสอนสาระหะหลานมิคาระเศรษฐีและโรหณะหลานเปกุนิยะเศรษฐีพระนันทกะแสดงธรรมสอนไม่ใ้เชื่อตามที่ฟังกันมาเป็นต้นคล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนชาวกาลามะต่างแต่แสดงโลภะคู่กับอภิชาโทศักคู่กับพยาบาทโมหะคู่กับอวิชา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 ประลึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดาและพิจารณาปองค์อุโบสถทีละข้อซึ่งตนตั้งใจรักษาคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเทียบกับพระอระหันต์แล้วตรัสแสดงอนิสงค์ของอริยะอุโบสถว่ามากยิ่งกว่าการครองราชในชนบททั้งสิบหก ย่อความที่สามอนันทวัตรว่าด้วยพระอานนท์พระอานนท์โตตอบกับฉันทะริพาชกอธิบายการละราคะโทสะโมหะพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อละให้ฟังปริพาชกกล่าวชมเชยพระอานนท์โตตอบกับขรืหาบดีคนหนึ่งผู้เป็นสาวกของอาชีวก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 หมายถึงพระอริยเบื้องต้นขึ้นไปแต่ยังไม่สําเร็จเป็นอรหันต์ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาไว้ทั้งอย่างที่เป็นเสขะและทั้งที่เป็นอเสขะคือที่เป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งแสดงรายการเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเสขะพระอานนท์แสดงธรรมแก่เจ้าลิชวีสององค์คืออภัยยะ กับบัณฑิตากุมาระกะัผู้เล่าถึงเรื่องนิโครนธนาตบุตรผู้ปฏิญญาถึงยาณทัศนะของตนว่ารู้รอบไม่มีส่วนเหลือไม่ว่าจะเดินยืนหลับตื่นยาณทัศนะจะปรากฏติดต่อสมบูรณ์ตลอดเวลานิโครนธนาตบุตรนั้นบัญญัติความสิ้นสุดแห่งกรรมเก่าด้วยตะบะักคือความเพียรทรมานตนการชักสะพาน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 พระผู้มีพระภาคแสดงนิชราวิสุทธิคือความบริสุทธิ์อันไม่ชราไม่เสื่อมโสมสามประการเพื่อดับทุกข์เพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานคือภิกษุตั้งอยู่ในศีลหรือปาติโมกเจริญฌานสี่สมบูรณ์ด้วยสมาธิทำให้แจ้งเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันสองมานพ ก็ชื่นชมภาสิทธ์ของพระเทระพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมแก่พระอานนท์ว่าท่านทั้งหลายจงอนุเคราะห์ญาตมิสายโลหิตให้ตั้งอยู่ในความเชื่ออันไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยพระผู้มีพระภาคทรงตอบคำถามของพระอานนท์คู่กราบทูลถามเรื่องเหตุที่ให้มีพบคือความมีความเป็น โดยทรงชี้ว่ากรรมเป็นนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชตรัสชมเชยพระอานุ์ว่าเป็นพระเสกะยะที่จะมีผู้เสมอในทางปัญญาเมื่อตรัสถามถึงศีลรสพรหมจรรย์เป็นต้นว่ามีแก่นสารมีผลทุกอย่างหรือพระอานุ์ตอบแบ่งว่า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 ว่าด้วยสมณะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงกรณียกิจของสมณะคือการสมทานอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอัตถกถาอธิบายคำว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไว้หน้าฟังมากคือกล่าวว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย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 เมื่อเทียบกับศีลสิบปาริสุทธิที่ศีลก็เป็นอธิศีลเมื่อเทียบกับโลกิยะศีลโลกุตระศีลก็เป็นอธิศีลเมื่อเทียบกับกามาวจรจิตรูปาวจรจิตก็เป็นอธิจิตเมื่อเทียบกับรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตก็เป็นอธิจิตดังนี้เป็นต้นสแสดงธรรมเรื่องลาเดินตามหลังโค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 รัดแสดงเรื่องกิจที่ควรทําก่อนของผู้ครองเรือนที่เป็นชาวนาสามอย่างคือ 1. ไถ่พื้นให้ดี 2. ปลูกพืชโดยการอันสมควร 3. ไห้น้ําเข้านาหรือนําน้ํามาโดยสมัยอันสมควรทรงเปรียบเทียบด้วยกิจที่ควรทําก่อนของภิกษุสมอย่างคือการสมาานอธิจิต อธิศีลอธิปัญญาตรัสสอนภิกษุกวัชีบุตรผู้ปรารภว่าสิกขาบทหนึสเท่าที่บัญญัติไว้ในครั้งนั้นแต่ต่อมายังทรงบัญญัติไว้มากกว่านั้นซึ่งมาสู่อุเทศะหรืออุเทศทุกกึ่งเดือนคือที่สวดปาติโมกทบทวนกันทุกกึ่งเดือนคือตรัสสอนภิกษุกวัชีบุตรผู้ปรารภว่าสิกขาบทที่สวดปาติโมก กันทุกเกืเดือนมากไปไม่สามารถจะรักษาได้พระองค์ตรัสถามว่าเธอจะสามารถศึกษาในสิกขาสามคืออธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญสิกขาได้หรือไม่เมื่อกราบทูลตอบว่ารักษาได้จึงตรัสว่าเมื่อเธอศึกษาอธิศิลเป็นต้นแล้ว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 3. เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวก็ทำที่สุดทุกได้ทรงสแสดงพระสกทาคามีพิเศษออกไปว่าเพราะสินสังโยศสามและเพราะมีราคะโทสะโมหะน้อยลงกว่าพระโสดาบันจึงจะมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวแล้วทำที่สุดทุกได้ทรงสแสดงพระอนาคามีว่า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 บุตรทางโสโตอากานิทะคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากนิทะภพสองสังคาระบริณิพายีดับกิเลสในภพที่เกิดต้องใช้ความพยายามสามสังคาระบริณิพายีดับกิเลสในภพที่เกิดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามสี่ ปุหั จ, จากปริณิพายีมีอายุเกินกึ่งจึงดับกิเลสเพ่งถึงกิเลสปริณิพานคําว่าดับกิเลสหมายถึงบรรลุอรหัตผล 5. อันตราปาริณิพายีมีอายุไม่ถึงกึ่งดับกิเลสได้อันหนึ่งคำอธิบายพระอนาคามีมีประเภทนี้ควรดูอัตถกถา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 รัดอธิบายการมีศีลสำรวมในพระปาติโมกข์ว่าเป็นอธิศิลสิกขาการเจริญฌานสีว่าเป็นอธิจิตตสิกขาการรู้อริยสัจสีตามเป็นจริงว่าเป็นอธิปัญญาสิกขาอีกในหนึ่งทรงแสดงการทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะว่าเป็นอธิปัญญสิกขา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 ส่วนปวิเวกในพระธรรมวินัยมีสามอย่างคือหนึ่งมีศีลละความทุศีลได้สงัดจากกิเลสเพราะเหตุนั้น 2. มีความเห็นถูกละความเห็นผิดได้สงัดจากกิเลสเพราะเหตุนั้น 3. สสิ้นอาสวะละอาสวะได้สงัดจจากกิเลสเพราะเหตุนั้น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 อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้สองทิพยโสตอูทิพสามเจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นสี่บุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ห้าจุตูปปตาตยานมีทิพยาจักสุขเห็นความตายความเกิดของสัตว์ทั้งหลายและหก อาสวัคขยัยาณบรร ล, ลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะทรงแสดงว่าภิกษุผู้บำเพ็ญสมาธิพึงใส่ใจนิมิตคือเครื่องหมายในจิตใจสมอย่างโดยการอันสมควรได้แก่สมาธินิมิตเครื่องหมายคือสมาธิหรือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งปักคาหานิมิตเครื่องหมายคือความเพียร